พูดว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพ จริงจะทําให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวไปถามพระอาจารย์ บอกไว้ใช่สิกขาคุณหยําดิวสิกขาสิกขาเนี่ยก็หมายความว่าศึกษาด้วยการ ความรู้เรียนศาสตร์ 4 ก็ 3 รอบใช่มั้ยรู้ว่ามีอยู่รู้ว่าอันนี้ควรอ่าสุดท้ายก็ต้องทําถูกต้อง ผมเดี๋ยว<ใช> 12 ปี ป.1 ถึง ม.6 ใช่มั้ยแล้ว 4 ปีอันนี้มันมาระยะหลังนะระยะหลังเนี่ย 200-300 ปีมานี่เองในที่ ถ้าคุณต้องการเป็นช่างไม้คุณมีอยู่ในกับพวกช่างไม้คุณเป็นหมอคุณไปเป็นลูกมือหมอเลยสุดท้ายคุณก็เป็นอ่าแม้จะจะค่ะอ่าสําลักน้ํามันสัก 4-5 <ไป คะ. S 1> พูดเอาไว้ในสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะภาคผิดไปบอก ในร่างกายคุณยังมีเชื้อโรคอยู่นะมีเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียออร์จูลินซีไล่เต็มพื้บเลยอะไรที่มันไม่ใช่เซลล์ในร่างกายคุณอย่างเดียวนะที่มาจะทั้งเป็นสิ่งที่เอ่อช่วยกัน เอ่อหรือในระบบการย่อยอาหารก็มีจุลินทรีย์ที่ช่วยเอา แล้วมันเจอมันแหละมันก็ถูก 1, <Okay. S> 1> นะว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มเอ่อเจ็บ <Okay. S 1> แต่เซลล์ของเราเนี่ย 2 ปีโดยเฉลี่ยนะแสดงว่าในช่วงปี 1 พอปี 2 มันเริ่มแก่แล้วแก่แล้วเป็นไง 2-3 วันมัน เอ่อพอมันพอมันแก่มันตายอ้าวแต่เราทําไมมันมีชีวิตอยู่อ่ะทําไมเรายังหนุ่มอยู่อายุ 15 1 ขวบ 5 ขวบ 10 ขวบ นะอัตราการเกิดใหม่มันมากกว่าอัตราการตายๆเนี่ยอย่างริ้วรอยที่อยู่ <Okay. S 1> นะสุดท้ายเซลล์มันอยู่ด้วยกันไม่ๆนะตายจริงๆแต่ แล้วก็ความตายมีซ่อนอยู่ในเอ่อชีวิตนะไม่ประมาทในความเอ่อชีวิตไม่ประมาทในความหนุ่มไม่ประมาท อย่างดีกับมารดาบิดาเอ่อมีการเราเราเห็นเด็กบางคนอย่างเงี้ยทําไม่ดี ไอ้ประเด็น 1 ที่เรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้กับความไม่มีโรคเนี่ยนะคุณโยม ตัณหาอวิชชามันซ่อนอยู่คุณมองไม่เห็นมันหรอกแต่เวลามีอะไรมากระทบปึ้งมันเป็นอาการป่วยของจิตที่โผล่ออกมาละมันก็จะจะ น่ะยังไม่เห็นอาการของมันหรอกจน นะทําให้มันขุดรากถอนโคนขุดรากถอนโคนเนี่ยๆ นะเสร็จแล้วเอามาหั่นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่พอน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าเป็นซิกๆผ่าเป็นซิกๆแล้วก็ผึ่งให้แห้งใน อ่าก็คือขุดรากของมันเนี่ยให้มันมันเหลือเท่าก้านแฝกนะสั้นๆเท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ยเป็นลักษณะอาการที่เรียกว่าเราทําลายเจ้ากิเลสนะเอ่ออวิชชาในใจนะตัณหาวิชาในใจเพื่อไม่ ไม่ให้มีอาการป่วยใดๆเกิดขึ้นแม้ต่อให้มันมีไม <Okay. S 1> 10 ล้านมันอาจ <Okay. S 1> บางพี่บางคนบอกว่าพยายามมากนอกเหนือจากมีแต่ดูเหมือนกับว่าเค้าหัน เดี๋ยวยังก็อืมมันไม่ง่ายหรอกค่ะมีเทคนิควางนี่หมายถึงว่าไม่ถ้าวางได้นะ เป็นเค้าเรียกว่าเอ่ออาจจะปฏิบัติยังไม่ถูกแต่ถ้าวางด้วยความที่อาศัยการโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาก่อนแล้วจึงวางอันนี้ถึง แต่ถ้าเราผ่านการพิจารณามีการโยนิโสมนสิการทำในใจด้วยยับคายเห็นความไม่ทิ้งๆณแง่มุมเหล่าต่างเห็นแล้วทั้งข้อดีข้อเสียแล้ว นะท่านรับผิดชอบในแง่มุมนี้แล้วนะเราคิดว่าเอ่อปัญหานี้นะถ้าเราไม่แก้เราก็เป็นส่วนหนึ่งปัญหาเพราะฉะนั้นเราแก้จริงๆแล้วดิฉันอาจจะเอ่อ หน้าที่จะปฏิบัติกายปฏิบัติใจอ่ากายเนี่ยก็แต่ว่าเรื่องของจิต เออไอ้ที่ถูกเนี่ยคือๆทําตรงนั้นทําที่ถูกเพราะว่าเผื่อว่า นั่งนิ่งๆเด็กแดมตัววัดปอดอ่อนหายโศกนี่ก็จะได้ๆเท่านี้ก่อนแล้วพบ